เาอีกต่อไปพ่อกันทีสำหรับความรักอันอคมขืนไร้ประโยชน์พ่อกันทีสำหรับความรักอันโหดร้ายทารุ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 เป็นพระเรวัตตของลูกอย่าพูดถึงเรวตตอีกเลยพ่อท่านเล่าพูดถึงเ้าสักทีทำไมล่ะลูกลูกไม่อยากได้ยินยิ่งทำให้พ่องงใหญ่ลูกไม่ดีใจหรอกเหรอดีใจเรื่องอะไรหรือจะ๊ะก็ที่พระเรวัตตเข้ามาอยู่ในกรุงพารณาสีแล้วนะสิในไม่ช้าอาจจะได้พบกันไม่มีวัน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 นอกจากลูกเห็นว่ารักของลูกเป็นรักที่ไร้ประโยชน์ร้ความหมายเป็นการหลงรักเข้าข้างเดียวด้วยอำนาจโมหะคืนรักตอบไปก็เสียแรงเสียเวลาลูกเวตดสินใจเล่นเขา้เท่านี้เหรอเท่านี้ละ่ะพ่อว่าต้องมีมากกว่านี้มีอะไรเราให้พ่อฟังให้หมดเถอะอย่าปิดบังพ่อไว้เลยไม่มีอะไรอีกแล้ว ขอสักทีเถอะพ่ออย่าได้ถามอะไรเกี่ยวกับลูกหรือเกี่ยวกับข้าอีกเลย นั้นพ่อก็ไม่รบ ก, กวนละจะออกไปเดี๋ยวนี้พักผ่อนให้สบายเธอนะลูกพ่อไปละ่ะ เรื่องของลูกให้แม่ฟางหมดแล้วดีแล้วลูกเอ้ยลืมเขาได้ก็ดีเขาไม่เหมาะสมกับลูกเลยไม่ว่าจะเป็นฐานะชาติระกูลหรือวัยิ่งฝว่า น, นั้นเขายังโหดร้ายต่อลูกอีกนานานานับประการแม่อยากตำหนิเขาเลยขอสักทีเถอะอกลูกไม่ชอบเขาแล้วไม่ใช่เหรอชอบหรือไม่ชอบลูกก็ไม่อยากฟังไม่ว่าจะด้านดีหรือด้านเสีย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 เสียใจมากกว่านายท่านเมื่อกี้ข้าระเจ้าฟังผิดไปหรือเปล่านายท่านบอกว่าดีใจใช่ไหมถ้าเป็นอย่างก่อนเราคงพูดอย่างนี้แต่ว่าเวลานี้เราเสียใจทั้งไม่และนายท่านจะเพิ่งซักถามอะไรเลยเหมือนที่นี่เธอเป็นคนดีมากพูดคำสั์จริงมาตลอดเวลา แต่ต่อไป น, นี้เธอจะต้องหัดพูดคําเทศจซะบ้างให้ข้าพเจ้าพูดคําเท็ถูกละวฉันจะให้เธอทําอะไรสักอย่างหนึ่งเธอจะทํำไหมด้วยความยินดีทีเดียวนายท่านม้จะให้พูดเท็จเธอก็ยอมถ้าเพื่อนายท่านข้าพเจ้ายอมทั้งนั้นดีมากมันที่นี่ต่อไปนี้ถ้าพระภิกษุรูปนั้นมารับบิณฑบาตอีกและถามว่าพิดาเศรษฐีอยู่หรือไม่เธอจึงตอบไปว่าไม่อยู่ถ้าท่านถามว่าไปไหน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 อยาทีใ่ในกองเกวียนสา่งมาได้หรือเปล่าเข้าไปจออ้าจําได้ดีไม่ได้ลืมเลือนแม้แต่น้อยท่านนกองเกวียนบอกว่าเมื่อกลับมาส่งลูกสาวท่านเศรษฐีกรุงพราณีแล้วให้ออกตาวแวนตามหาพระเรวตัตตะให้พบพบแล้วให้ทํายังไงต่อไปอีกเมื่อพบพระเรวตัตตะแล้วให้รีบแจ้งข่าวการกลับบ้านของรัตตปานีให้พระเรวตัตตะทราบแล้วพยายามหาทางให้พระเรวตัตตะพบกับรัตตปานีให้ได้ เท่าที่นกองเวี้ยนทำเช่นนี้เพื่อประสองค์อะไรนายกองเวี้ยนเชียววะถ้าพระเรวัตะ์ได้พบกับรัตปานีและได้ฟังคำบิงบอพรตัตปานีแล้วในที่สุดก็จะใจอ่อนต่อจากนั้นแผนกำจัดเซียนน้ำของมิครุก็จะสําเด็จได้โดยง่ายถ้าอย่างนั้นพวกเราออกค้นหาพระเรวัตากันเถอะ ฝัแม่น้ำคงคาเองข้าพเจ้าเที่ยวตามหาท่านเกือบทุกแห่งภายในกรุงพระณศีท่านตามหาอาตมาทําไมอืมท่านจําข้าพเจ้าไม่ได้เลยข้าพเจ้าเป็นคนที่อยู่ในกองเกลียนอ๋อจําได้นะข้าพเจ้าตามหาท่านเพื่อจะบอกว่าเวลาเนี้รัตปานีได้กลับมาถึงบ้านแล้วเธอร่มร้องถึงท่านตลอดเวลาขอท่านเด็โปรดสงสารทิ้งใจหญิงสาวซึ่งรักและบูชาท่านสุดชีวิตจิตใจด้วยนะ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 และขอบใจอุบาสกมากที่อุตษาห์นําข่าวนี้มาบอกให้ทราบอาตมาจะไปพบเธอเมื่อมีโอกาสรัตปานีรู้ข่าวนี้เธอจะต้องดีใจมากทีเดียวข้าพเจาบบ้ารบกวนท่านสมณะ ม, มากๆนะเห็นจะต้องขอลางสักทีเชื่อว่าท่านจะต้องไปพบรัตปานีข่าวลากราถ้าไปพบลีลาวดีก็เท่ากั บ, บว่า เป็นการช่วยแผนการของพว ก, กนิกครณเป็นการช่วยทำลายหมู่คณะและพระพุทธศาสนาแต่ถ้าไม่ไปพบลีลาวดี ก, ก็จะเป็นการทารุณโหดร้ายต่อเธอยิ่งขึ้นเพราะขณะนี้ได้สมนึกแล้วว่าได้ก่อความชอกทำให้แก่ลีลาวดีมากเกินไปตัดสินใจแน่แล้วจะไปพบกับลีลาวดีขอโทษเธอ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 นี้ดูหน้าตาน้องหญิงเจ้ามองผิดปกติท่านสมณะแ่างสังเกตถูกของท่านสมณะเข้าไปเจ้าไม่ค่อยสบายใจมีอะไรอยู่ในใจน้องหญิงเป็นเรื่องส่วนตัวอย่าให้เขาไปเจ้าบอกเลยถ้าอย่างนั้นอาตมาจะไม่ซักถามละ่ะแต่รัฐปานีทิดาเมติยะเจตถีนั้นอาตมาทราบมาว่ากลับประจักกรุงราชคือแล้วใช่ไหมเอ อ, เ อ, อ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 สสตกมีอะไรเหรออยากจะมาถามว่าท่านยังไม่ได้ไปพบกับนิลาวดีหรอกเหรออัตมาไปแล้วแต่ไม่พบนิลาวดียังไม่กลับจากกรุงราชคฤห์ใครบอกท่านนางทาสีที่ใส่บาทอยู่หน้าประตูใหญ่เป็นคนบอกอัตมาโอ้โกว่ะกู้ลาศกว่าใครแต่เอ็นนางทาสีนั่นแหละสิไปเป็น ไ, ได้ยังไงก็ในเมื่อนิลาวดีกลับมาแล้วพอแล้ว ข้าพเจ้าจะไปสืบดูให้แน่ใจทีมันเรื่องอะไรถึงต้องโกหกกันด้วยข้าพเจ้าไปอะ สึบได้ความว่าอย่างไงบ้างส่วนนั ก, กนรัลลิลาวดีเปลี่ยนใจซะแล้วเปลี่ยนใจอะไรเปลี่ยนใจไม่ยอมพบพระเอวตตาแล้วสิเห็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงซะแล้วจากการขอร้องวิงวอนพระเอวตตาให้ไปพบลิลาวดีคราวนี้ต้องไปขอร้องวิงวอนลินนลาวดีให้ไปพบในวัตตาเราจะไปพบลิลาวดีเดี๋ยวนี้ละ อันนี้ข่าวพเจ้าได้พบพระเลวตะตาแล้วและรู้จักที่พระอันแน่นอนของท่านแล้วด้วยหยุดเลือดสนะ ก, กะอย่ามาเอ่ยชื่อพระเลวตะตาให้ฉ้นได้ยินฉันไม่อยากได้ยินคนํานี้ถ้าท่านจะพูดเรื่องเลวตะตากับฉันฉันจะไม่พูดกับท่านเชิญท่านไปได้ขออนุญาตพูดก็สองสามประโยชน์เพื่อแจ้ข่าวให้ท่านทราบแล้วก็จะจากไปคือเวลานี้ในพระเลวตะตากาลังตัวแล้วว่า ได้กระทําการอันโหดร้ายทารุณต่อจิตใจของท่านมาตลอดเวลาเขาอยากพบท่านเพื่อขอโทษเป็นครั้งสุดท้ายท่านจะไม่ยอมให้คนที่สำนรกผิดสาะภาพความผิดชั่วไม่ได้ก่อบไปบอกเขาเธอว่าฉันจะไม่มีวันให้อภัยเขาและจะไม่ขอพบหน้าก็อีก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 ขมลงไปมากคงเป็นทุกข์หนักที่ไม่ได้พบนายท่านสมเด็มหน้าเป็นทุกข์ซะบ้างก็ดีจะได้เห็นว่ารสชาติของทุกข์ที่ฉันเคยได้รับมานั้นเป็นยังไงนี่ยังดีที่เขายัางไม่ถึงตายส่วนฉันเคยทุกข์เพราะการกระทําของเขาถึงตายมาแล้วถ้าไายท่านไม่ยอมให้ท่านพบอีกต่อไปท่านอาจจะถึงตายก็ได้นะตายซะก็ดีเหมือนกันจะได้รู้รสของความตายซะบ้าง อาตมาตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าจะไปจากกรุงพาราณสีท่านจะไปไหนไปกรุงสาวัตถีเพื่อเข้าฝ้าพระบร ม, มาศาสดาบางทีพระธรรมของพระองค์อาจจะช่วยชุบจิตใจของอาตมาให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้เวลานี้จิตใจของอาตมาจมเพียรอยู่ในโลกีวิสัยและความทุกข์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 สำหรับความทารุณโหดร้ายทั้งหมดที่หลวงพี่ปฏิบัติต่อเธอเพราะความหลงผิดทั้งในชาติก่อนและชาตินี้ลีลาวดีไม่มีลีลาวดีตายไปนานแล้วฉันไม่ใช่ลีลาวดีฉันคือรัตตปานีฉันไม่รู้จักท่านจะมาขอโทษขอโพยเสียเวลาเลยลีลาวดียังไม่หายโกรธหลวงพี่ แต่เอาเถอะหลงพี่จะไม่ว่าอะไรเธอได้พบหน้าเธอได้ขอโทษเธอหลงพี่ก็พอใจแล้วเธอไม่ต้องให้อภัยหลงพี่ก็ได้หลงพี่ขอลาก่อน ดลวงดูแก้แค้นคาเรวตัตตะแล้วแทนที่จะดีใจกับเสียใจเพราความรู้สึกชั่วแล่นทแท้ๆได้ทารุณน้ําใจคนรักวันนี้ความโกรธแค้นชิงชังหายไปหมดแล้วเหลือแต่ความสงสารและอะไรมันหลีบคั้นจนไม่สามารถจะทนอยู่ต่อไปได้ในที่สุดก็ต้องขออนุญาตพ่อเดินทางไปหาแม่เก่าที่กรุงสาวัตถี เราได้พรคาร์เรวตะที่นั่น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 ไม่ได้สมประสงค์พบทั้งสามอันเป็นที่เกิดที่ตายของสัตว์เปรียบเสมือนโรงฆ่าสัตว์อันมหึมาที่เต็มไปด้วยสัตว์ที่จะต้องถูกประหารชีวิตระ ง, ง, งไมไปด้วยเสียงร่ำไห้ปริเวทนาการของสัตว์ผู้ประสบทุกตันหา เปรียบเหมือนความหิวทำให้ตัดเพลิดเพลินและเล็มยาคือวัตถุ ก, กามและกิเลสกามกินไปถึงประตู้าบตัดชาติความเกิดเปรียบเสมือนพนักงานจับตัดผูกมัดเข้าในโรงคาบตัดชาราความแก่ เปรียบเสมือนเจ้าพรักงานผู้จูงจับไปสู่ที่ข่ามรดกความตายเปรียบเสมือนพะจาดาผู้ใช้กับปลาอันคมตัดคอตัดให้ขาด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 แต่บัดนี้เมื่อขึ้นมายืนบนฝั่งแล้วความรักก็ไม่มีความชังก็หายไปยังเหลือแต่ความกรุณาสงสารท่านผู้ยังลอยคออยู่ในทะเลทุกมาเถอสะสุพรห ม, มจารีอย่าประมาทอยู่เลยรีเล่นประทาความเพียนรีกว่ายกระแสะน้ำอันเชี่ยวแห่งวัด ต, ตะขึ้นมาสู่ฝั่งอันไพบูน ที่ข้าวเจ้าและอริยสาวกทั้งหลายยืนอยู่นี้เถิอาตมาดีใจท่านถึงแล้วซึ่งความสุขอันไพยบุ์ส่วนอาตมาก็จะพยายามต่อไปเพื่อให้ไปถึงฝั่งแห่งวัดตะอาตมาจะไม่ขอกล่าวคำอำลาท่านเพราะพระอรหัต้ตผลของท่าน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 ยังคงลอยคออยู่ในทะเลแห่งวัดดักต่อไป